เราก็สวดมนต์มนในที่นี้นะหมายถึงคำสอนคือเจ้าไม่ได้หมายถึงมนตราที่มันขังมันศักดิ์สิทธิ์อะไรสวดเพื่อเตือนใจนะไม่ใช่เตือนใจให้มีศรัทธานในพระตนัตไกรเท่านั้นแต่ว่า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 แต่ความป่วยก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะความโศความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคลับแค้นใจก็เป็นทุกข์ในความไม่สบายกายนี้ก็คือความป่วยนั่นแหละแต่ฟังเท่านี้นี่ก็ไม่ใช่ฟังเพื่อให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 ที่มันแก่ก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ำนะเด็กคือในท้องเนี่ยนะก็ยังไม่ทันเกิดมาเลยเนี่ยแต่เขาก็เรียกว่าแก่แล้วล่ะนะเด็กเก้าเดือนก็แก่กว่าเด็กสี่เดือนเด็กสี่เ ด, เดือนก็แก่กว่าเด็กสามเดือนนะเพียงแต่ว่ายังสมมุติกันว่ายังไม่เกิดนะ เอาคาว่าเกิดเนี่ยเราก็จอดจงมาตอนที่ออกจากท้องแม่นะแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อยังไม่เกิดขณะที่ยังอยู่ในท้องแม่นี่ไม่แก่เนะี่ยก็แก่ไปแล้วเก้านะเดือนก็แก่กว่าแปดเดือนแปเดือนก็แก่กว่าเจ็ดเดือนคราวนี้เนี่ย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 อยู่ที่ว่าจะใช้ศักยภาพนั้นเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสนองกิเลสหรือเพื่อเอาช็อกนะกิเลสเอาชนะตัณหาอุปาทานางนั้นมองมอนนี้ง่หนึ่งการที่ทำให้คนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้เขาได้เีโอกาส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 ภรรยาของพระสุทินนะไปมีเพศสัมพันธ์กับพระสุทินจนกระทั่งมีลูกมาพระสุทินนี่ก็ตอนหลังก็ต้องข้อหาปราชิกนะเป็นต้นบัญญัติเลยนะมีชื่อจารึกไว้ในปฏิสาวเป็นพระรูปแรก ท, ที่ที่ทำอันนี้แต่ไม่ถือว่าปราชิกนะแต่ว่าไปเพราะเป็นต้นบัญญัติตอนนั้นยังไม่มีการบัญญัติว่าพิสุห้าม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 ได้ออกบวชและภายหลังก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์แม่ก็เหมือนกันนะแม่ซึ่งมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดเหตุการ์เฉาโชในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยตายหลังก็บวชนะบวชพระบวชเป็นภิกษณุณีแล้วก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันมีแต่พระสุทินที่ไม่ได้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 เป็นมนุษย์นะในโลกนี้ก็ยากนะยากที่จะมีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้แลเพราะั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจว่าเมื่อเมื่อเราสวดมนต์ว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ไม่ได้แปลว่าเกวดมาแล้วจะต้อง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 ปวดมากแต่นในช่วงนั้นนี้ยก็ตั้งมีสติได้ได้คิดว่าโอสังขารนี่เป็นทุกข์มากเหลือเกินสังขารเป็นทุกข์มากนะทั้งความแก่ทั้งความปวดมันไม่นายยึดถือเลยนะพอได้คิดอย่างนี้ปัญญาก็เกิดเลยนะเห็นเห็นไตรลักษณ์อนิจจังเลยเพราะทุกขัง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 ที่รุนแรงหยาบคายหรือคำต่อว่าดาทอพอเก็บเอามาคิดมันก็เกิดความโกรธแค้นนะแต่ก็ไม่เคยได้ถามตัวว่าเราเก็บเอามาคิดทำไมท้าไว้ไม่ปล่อยไม่วางมาันซะเนี่ลองดูทุกใจเนี่ยไม่่าจะเป็นความเศร้าความโศกความเสียใจความอาลัย คือไม่ไช่ความเบื่อมันเป็นจัตใจที่ไปยึดเอาไว้ในสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วหรือบางครั้งก็เป็นอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงนความทุกข์ทั้งมวลนะถ้าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องความยึดติดนะหลวงพ่อชาท่านสูปง่ายๆนะทุกหมีพยึด ทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพรปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนทุกมีเพราะยึดอันนี้ท่านเล็งหมาถึงทุกใจนะมันยึดนะเวลาเวลาเรากังวลเราหนักใจนี่เป็นเพราะเราไม่ปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นอนาคตเที่ยงมาไม่ถึง น, นี่ที่ยังไม่ได้พ้นนี่ที่ยังไม่ได้ใช้การงานที่ยังไม่ได้สาสม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 บางทีทําไปทําไปก็ใจก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เสร็จสักทีคิดแต่ว่าเนี่ยคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะไอ้เสร็จนั่เป็นปเรื่องอ น, นาคตเอามาเอามาชึ้นคุณคิดมาวิตกกังวลทําไมแทนที่จเราอยู่กับปัจจุบันนะจริงๆความทุกข์ของคนเราเนี่ยแค่หาว่าวางอาดีตวางอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะคลายความทุกข์ใจไปได้เยอะ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 คือแม้ไม่อยากจะให้มันดีนะหรือไม่มีความคาดหวังว่ามันจะดีหรือไม่ได้สนใจมันจะดีหรือไม่แต่มันก็จะออกมาดีเองผลมันขึ้นอยู่กับเหตุนะไม่เคยไม่ได้อยู่ที่ความคาดหวังของเราเคนไปเข้าใจว่าหรือคนลืมความจริงข้อนี้ไปนะว่าผลอยู่ที่เหตนะุไม่ใช่อยู่ที่ความหวังของเราผู้เจ้าเคยตรัสว่า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 ไม่ไม่ค่อยได้รู้จักพระนะอาจจะรู้ว่านี่คือพระแต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ทำเนียบอะไรเห็นพระถือบาตรเข้าไปในบ้านก็ถามว่ามาทำอะไรหลวงปู่มั่ก็ตอมาบินทบาทมาบินทบาทข้าวเขาก็ถามเนข้าวสารเอาเข้าสุกหรือว่าข้าวสารทั้งแต่ว่าเข้าสุกชาเขาก็แล้วข้าวสุวกาาสมาให้แต่ไม่มีกลับเลยมีแต่ข้าสุกทั้งนั้น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 ก็เลยมีการประชุมชาวบ้านกันแล้วก็มีคำสั่งว่าอย่าไปเด็กแลเด็กแล้ผู้หญิงนี่อย่าไปเข้าไปใกล้ๆทานั้นน่าจะโดนโดนเสื้อเย็นกินได้ผู้ชายก็เหมือนกันนะถ้าจะเข้าไปนี่นไปก็หลายคนต้องมีอาวุธพร้อมมือด้วยอาวุธครบมือแจแล้วก็มีการตกลงกันให้ส่งคนไปสังเกตการไปสังเกตการดมๆมองๆดูว่าทำอะไร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 หลวงปู่ก็ตอบว่าพุโทโธเราหายนะเรากําลังตามหาพุโทโธชาวครานั้นก็พาซื้อก็ถามว่าพุโทโธเป็นยังไงนะตั้งก็ที่ว่าพุโทโธเป็นดวงแก้วใสนะพระงสอนพุโทโธมันดียังไงนะเห็นนอกสวรรค์ได้ไมเจ้าหลวงปู่มักตก่ตว่าเห็นสินะไม่งั้นมันจะประเสริฐได้อย่างไร เราจะทำยังไงเราจะช่วยหาเราช่วยตูเจ้าหาพุทธโธได้ไหมต้องตอบว่าได้ถ้าถ้าสู่เนี่ยที่เรียกว่าสู่ถ้าสู่ช่วยหาก็จะ พ, พุทธโธก็จะเจอเร็วขึ้นจะทําทยังไงอหลวงปู่มัาก็แนะนําก็เวลาเดินนะก็ให้นึกไปด้วยพุทธโธหรือท่องพุทธโธในใจนะ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 หัวหน้าชาวเขาเนี่ยที่มาถามหลวงปู่มั่นหลวพุโทโธเนี่ยแกทําไปทําไปไม่กี่วั น, น่ะสองสามวันแกจิตแกก็สงบสงบแล้วก็สูว่าเห็นนิมิตรปา่าทั้งป่ามันสว่างเลยนะก็แปลกใจทั้งแปลกใจทั้งดีใจก็เลยมามาเล่าใหลวงปู่มั่นฟังเพราะว่าท่านฝันเลยว่าหลวงปู่มั่นเอาแสงสว่างมาให้เขาท่านก็นเน้นนำเพิ่มเติม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 มันไม่จำเป็นต้องแม้ข้างเจ้าตัวแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าวางใจถูกนะวางใจถูกนะก็คือจิตมันอยู่กับจิตอยู่กับการเดินจิตอยู่แล้วมีบริกรรมผูกเอาไว้เดินไปก็นึกถึงพุทธโธจิตอยู่กับพุทธโธไม่วอกวาไปไหนเดี๋ยวจิตก็สงบเองมันเป็นกฎธรรมชาตนะินะมันเป็นกฎรรของจิตนั่แหละจิตนิยาม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 คือปฏิบัติถ้าไม่สมควรแก่ทำหรือปฏิบัติรูปแบบถูกแต่ว่าวางใจผิดก็ไม่เกิดผลนะอเช่นใส่บาตรถวายพระใส่ตักข้าวใส่บาตรนะอันนี้ก็เรียกเป็นการทําบุญเรียกเป็นทา น, นแต่ถ้าวางใจผิดนะไม่คิดว่าเออทําแล้วจะได้โน่นได้นี่นทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าทําแล้วจะได้มีหน้ามีตา ไอ้ความสงบในใจนะมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะเพราะว่าการให้ทานเนี่ยจุดหมายคือลดความตนีลดความโลนอะไรนะการให้ทานเนี่ยแต่ถ้าวางใจผิดก็คือทําแล้วอยากได้โลนไดน้เนี่ยไอ้อา น, นิสงค์ของทานก็เกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นได้ยากอา น, นิสงส์ที่ว่าคือจิตผ่องใสใจเ บ, บิกบานนะ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 ทำเพื่ออวดคนเพื่อโชว์แถมยกลงขนท่ามด้วยอันนี้อันนี้สงของศีลก็จะเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าถึงแม้ปฏิบัติถูกครบรูปแบบนะศีลห้าครบนะแต่ว่าใจวางไว้ผิดเนะ่มันก็เกิดอันนี้สงน้อยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำนะเดินจงกรมนะแต่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาจิต